ขึ้นแถวลาดักหรือว่าทางอินเดียตอนเหนือนะซัมเบนรีรูปหนึ่งก็อยากจะปฏิบัติธรรมก็ไปฝึกวิเวกออกจากสำนักไปอยู่ถ้ำ ก็ตั้งใจปฏิบัตินะแล้วก็มีความอาศุกการปฏิบัติเช้าเช้าก็ออกไปบินธบาตชาวบ้านก็มีศรัทธานะก็ใส่บาทนะพอฉันทุกวัน วันหนึ่งกลับมาบอกว่าจีวอนนะที่แขวนเอาไว้นะหนูมันกัดกัดเป็นรูเลยอันนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วระหว่างที่กำลังปาจีวอนอยู่นะก็นึกขึ้นมาได้ไวถ้าเรา เลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งนะก็ต้องก็ก็ไม่ต้องมานั่งป่าตีวรแบบนี้นะแมวก็จะไล่หนูก็เลยไปขอแมวจากชาวบ้านมาชาวบ้านก็ให้มาตัวหนึ่งนะเป็นแมวที่น่ารักแล้วก็เชื่องสีสีเดียวกับจีวรสามเเนรีเลยนะ สีทองสีแดงขนมก็หายไปนะแต่ว่าเมื่อมีแมวแล้วนะมันก็ต้องนะเนื่องกับแมวยังตัวเล็กอยู่ก็ต้องมีนมมาเลี้ยงแมวก็ต้องไปขอนมนะนมบัวนีนการชาวบ้านนะ ชาวบ้านก็ให้มาทุกวันทุกวันตอนหลังกระสัวเออมันไม่อยากรบกวนชาวบ้านนะทำไมเราไม่ไม่หาวัวมาเลี้ยงเอาวัวนมมาเลี้ยงจได้ไม่ต้องรบกวนชาวบ้าน อันนี้มีพอเลี้ยงวัวก็มีปัญหาว่าจะต้องมีหญ้าให้หวัวหญ้ามันก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะเพราะว่าอย่างลาดดักหรือว่าแถวอินเดียตอนเหนือนี่มันมันเป็นที่สูงนะสุดท้ายก็ต้องไปขอหญ้าชาว บ, บ้านขอไปสักพักหนึ่งก็ ถ้าตัวมันยุ่งยากนะก็ทำไมเราไม่ปลูกหญ้าเองซะเลยนะก็ไปเรียลายเงินชาวบ้านมามาซื้อที่นะแล้วก็ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเพื่อได้มีนมนะไปเลี้ยงแมวแมวเพื่อได้ไปไล่หนูได้มากัดจิ ว, วอน อันนี้พอมีวัวแล้วนี่นะมันก็ต้องมีหญ้าก็ต้องเกี่ยวหญ้าให้วัวนอกจากเกี่ยวหญ้าแล้วก็ยังต้องรีดนมวัวด้วยทำอย่างนี้อยู่ยสักพักหนึ่งนะก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากนะเพราะไม่มีเวลาภาวนาเลย เรามานี่เพื่อภาวนานต้องมารีดนมนบัวต้องมาเกี่ยวหญ้าให้วัวกินก็เลยได้ความคิดว่าออทำไมเราไม่ขอเด็กชาวบ้านมานะอเด็กผู้ชายนี่แหละมาทำงานแทนเราก็ไป บอกชาวบ้านว่าเนี่ยมีเด็กคนไหนที่อยากจะมาช่วยงานไหมเดี๋ยวสามัญลีก็จะสอนนะสอนหนังสือให้ตอบเป็นการจูงใจแล้วก็ตอบแทนเด็กในหมู่บ้านบางคนก็ไม่รู้หนังสือนะแล้วก็เรื่องธรรมะ ก, ก็ยิ่งแล้วใหญ่ ก็มีครอบครัวจนครอบครัวก็ให้ลูกมาให้สามเณรีช่วยช่วยสอนสอนหนังสือสอนธรรมะให้คำแนะนำจะได้เป็นคนมีความรู้เด็กคนนี้ก็มาช่วยเกี่ยวหญ้าด้วยแล้วก็ช่วยรีดนมวัว นี่พอเด็กมาแล้วเนี่ยจะอยู่ในถ้าเดียวกับสาวมณีรีก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ชายก็ต้องสร้างกระต๊อบให้ให้เด็กคนนั้ น, น ก, ก็ต้องมีเลยลายชาวบ้านด้วยเรไลายนะขอไม้น่ะขอมันมีขอแรงมาด้วยช่วยทํา ระยะหลังนี้ชาวบ้านก็เริ่มจะเริ่มจะผวานอะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ละอานนะผวาเลยนะเวลาเห็นหน้าชีมานี่ก็ถ้าไม่ใช่เวลาบินธ บ, บานี่ถ้าเป็นเวลาอื่นนี่ก็กลัวเลยสา ม, มัญในเรียนะเห็นหน้าสีเห็นสีเหลืองๆแดงๆ คือราดังนี่สา ม, มเณรเลขาสีีวรก แ, แดงๆว่ามานี่ก็ชาวบ้านก็ก็หนีเลยนะมีหลบเข้าบ้านไปเลยเพราะกลัวจะมาโดนเนลี่ยไรโดยทูภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าโดนไถนะชาวบ้านก็ก็เริ่มนะจะไม่ค่อยอยากเจอหน้านะสา ม, มเร ล้วก็ตามชาวบ้านก็มีปัญหาวันหนึ่งชาวบ้านคนนึงก็มีปัญหาชีวิตก็จะก็เลยไปที่ไปที่ถ้ำนะก็จะมาปรึกษาปัญหาคงอาจจะให้สามเณรีช่วยลดน้ำมนต์อะไรด้วยแหละนะชาวบ้านก็ต้องการแบบนั้นสามเณรีก็กลาลังนั่งสมาธิอยู่นะพอ เป็นชาวบ้านมาก็พอรู้ว่าชาวบ้านจะมาทำาะไรก็บอกว่าไม่ว่างนะเพราะว่าตอนนี้มีงานเยอะนะเดี๋ยวนี้เลิกสมาธิเดี๋ยวก็ต้องไปนะต้องไปดูแลดูแลสร้างการสร้างกุฏิไอ้การสร้างกระต๊อกนะสร้างกระต๊อเนี่ยนะเพื่อให้เด็กได้มาอยู่เด็กก็จะได้มาช่วยนะรืดน ม, มวัวเกี่ยวญ้าให้วัว ัวจะได้จะได้มี น, นมไปเลี้ยงแมวแมวได้ปไปไล่หนูสะว่างที่พยาอธิบายนะว่าทำไมไม่ว่างก็ได้สเต็กขึ้นมาว่าเอ๊ยนี่เราทำอะไรอยู่เนี่ย น, นะเพียงแค่มีปัญหาหนูกัดจีวรนี่ มันก็มีอะไรต่ออะไร ต, ออไรตามมายืดยาอย่างนี้เฉย่นะมีต้องมีแมวต้องมีวัวต้องมีต้องมีหญ้าต้องมีเด็กสารพัดก็ได้คิดขึ้นมาเอ้ยนี่เรามันชักจะเลยเถิดไปแล้วนะสุดท้ายก็เลย ได้คิดขึ้นมาก็เลยบอกชาวบ้านบอกว่าไ อ, ไอ้ก็ต๊อกกระตอร์นี่ไม่ต้องสร้างแล้วเด็กก็อกลับบ้านไปวัวก็คืนชาวบ้านแมวก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วให้ชาวบ้านเอาไปเพราะชีวิตมันดุ่งยากเหลือเกินเพียงแค่ไม่อยากจะให้หนูมากัดจีวร น, น, นั่นแหละในนั้น ชีวิตของชีวิตที่สงบสุขของสามัญชนกับคืนมาไม่ต้องวุ่นวายกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงแมวหรือว่าการดูแลเด็กแล้วหนึ่งกลับมาบ้านากับบินทบาทกลับมาก็ก็เจอจีวรนถูกหนู ก, กัดเหมือนเคยแต่คราวนี้ ทำไปเรือ่อยก็เย็บจีวรนอย่างมีความสุขนะก็่อใจการเย็บจีวรไม่งุนหิดไม่ลาคาญเหมือนแต่ก่อนอันเะองนี้ก็จบนะกลับมาสู่ปัญหาเดิมแต่ว่าไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความลำคานละอันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องนะที่เคยได้ยินมาหลายเวอร์ชันนะที่เล่านี้เป็นเวอร์ชันของอาจารย์พรมวังโสทนะ่านเป็นพระชาวออสเตรียชาวอังกฤษแล้วไปอยู่ออสเตรเลียเวอร์ชันแรกๆที่เคยได้ยินนะมันจะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นนักบวชนะเป็นนักพรต ไม่ใช่นักไม่ใช่พระนะเป็นนักพรตเหตุการณ์คงอยู่เกิดขึ้นอินเดียนั่นแหละหรือว่าระบในตอนเหนือก็มาอยู่อย่างสมถะนะแล้วก็วันหนึ่งกลับมาจากการไปพิคาจาร์ไปบินทบาทพูดง่ายก็เจอเจอ จ, จีวอนเนี่ยเสื้อผ้านเนี่ยถูกหนูกัดนะแล้วก็เลยต้องเอาแมวมาพอแมวมาก็ต้องมีนกมีวัวมาเลี้ยงแมวเอานมวัวมาเลี้ยงแมวมีวัวแล้วก็ต้องมาเกี่ยวหญ้านะต้องมาเลี้ยงวัวต้องรีดนมวัวสุดท้ายก็รือสว่ามันไม่มีเวลาปฏิบัติก็ ต้องไปต้องจ้างนะไปจ้างหญิงชาวบ้านมาเด็กหญิงชาวบ้านเนี่ยมาช่วยทำโน่นทํานี่ทีแรกก็เลี้ยงวัวเฉยเลี้ยงวัวเกี่ยวหญ้ารุ่นเลี้ยงหมูดงวัวตอหลังเอ้ยก็มาช่วยปัดป่ายกวาดทำความสะอาดซะเลยในกุฏิเล็กๆ เ, เป็นกระตอ๊อช่วยปัดกวาดทำความสะอาดตอนหลังคิดไปคิดมา จะหาเงินมามาจ้างเด็กมันมันก็เหนื่อยเหลือเกินนะแต่ว่าทํำไงถึงจะไม่ต้องจ้างเด็กสาวนี่มาก็เลยคิดว่ า, างั้นแต่งงานเลยดีกว่าอยู่ด้วยกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องจ้างได้แรงงานฟรีตอนะนี้พอแต่งงานแล้วก็เลยอ่ะเรา ทำมาหากินดีกว่านะก็เลยท้าขายสุดท้ายก็รวยนะก็มีรูปมีมีรูปมีอะไรต่างๆวันถนึงอาจารย์มามาถึงอาจารย์เห็นลูกสิษยหายไปนานนะสิกกบกว่าปีจาริกผ่านมาทถานั้นก็เลยเยี่ยมตกใจนะเอา ลูกศิษย์ที่ตั้งใจบวชถือพรมจรรย์ทำไมกลายเป็นกลายเป็นพ่อค้าร่ำวรวยไปแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงลูกสิษก็เลยอธิบายล้วเนี่ยเรื่องมันนะเรื่องเรื่องเกิดจากเรื่องนี้แหละนะจีวรมันถูกหนูกัดก็เลยต้องมีต้องเลี้ยงแมวพอเลี้ยงแมวเสร็ก็ต้องไปหาหาวัวมามีจะได้มีน ม, นมนไปเลี้ยงแมว พอหาวัวแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีเด็กมาเกี่ยวหญ้าให้วัวรีบนมวัวแล้วมันก็ช้าจะยุ่งยากเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงหาเงินมาจ่ายเด็กก็เลยอยู่ด้วยกันได้ซะเลยนะไม่ต้องไม่ต้องจ้าท่านนี้อาจารได้ฟังแล้วก็บอกอ๋อทังหมดนี้เกิดขึ้นเิงเพราะว่าเจ้านี่ไม่อยากจะ ใ ห, หดดให้หนูมากัดจีวอนเท่านั้นเลยเพีงแค่ไม่อยให้หนูมากัดจีวอนนี่หรือไม่กัดมามากัดเสื้อผ้านี่มันบานปลายเป็นขนาดนี้เฉยเลยนี่อันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นนะที่เคยได้ยินจบแบบไม่แฮปปี้นะแฮปปี้ทั้งโลกแต่ไม่แฮปปี้ทางธรรมนะแต่เรื่องที่เล่าตอนแรกนี่มันเรื่องแฮปปี้ก็คือะ ลกลับมากลับมาอยู่วิเวกเหมือนเดิมแต่ไม่ว่าจะจบลงแบบไหนมันก็ได้แง่คิดนะเหมือนกันข้อหนึ่งก็คือว่าการแก้ปัญหานะการแก้ปัญหาบางครั้งเนี่ยมันมันแก้ปัญหาหนึ่งก็ทําให้ปัญหาอื่นทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมานะ หนูไม่กัดจีวอลแล้วแต่ว่าต้องเลี้ยงแมวนะแต่เลี้ยงแมวได้ก็ต้องนะก็ต้องมีวัวหรือมีนมมาเลี้ยงแมวนะแล้วก็ตามมาเป็นลูกโซ่เรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มจะ บ, บานปลายทั้งหมดนี้เพียงเพราะว่าอยากจะสบาย ยัติวอมันมั น, ม, นมันลำบากนะมันไม่สบายเสียเวลาปฏิบัติอันนี้มันก็มันก็สะท้อนนะว่าคนเรานี่ถ้าเกิดว่าต้องการความสบายแล้วนะมันก็จะเกิดปัญหานะตามมาอีกมากมายหลายอย่าง ไม่ต้องยัยกจีวรแต่ว่าก็ต้องเลี้ยงแมวนะแล้วพอจะเลี้ยงแมวก็ต้องมีอย่างโน้น อ, อย่างนี้ตามมาอีกนะอันนี้ชีวิตของชาวโลกก็เป็นอย่างนี้นะถ้าเราสังเกตดูก็คืออยากจะสบายอยากจะมีความสุขก็ต้องต้องมีเงินต้องมีรถต้องมีบ้านนะต้องมีเครื่องทุนแรง อย่างมีเครื่องทุนแรงก็ต้องหาเงินนะหาเงินก็ต้องทำงานทำงานก็มีปัญหาว่าจะเอาทางานอะไรพอทำงานก็มีปัญหาเพรว่าเจ้านายนะไม่ดีบ้างละหรือว่าผู้โรงมงานไม่ถูกไม่สามัคคีกันบ้างละก็มีปัญหาก็าต้องไปหางานใหม่นะพอได้พอทำงานได้เงินก็ อยากได้ตำแหน่งอยากได้การยอมรับได้เงินดีแต่ว่าตำแหน่งยังต่ำอยู่ก็อยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นผู้จัดการกอยากเป็นซีโอไปเรื่อยนะมันมนีมันมีความต้องการติดต่อติดตามมาเป็นลูกโซ่ทั้งหมดนี้ก็เพียงแค่ว่าต้องการสบายไม่ต้องการลำบากแต่ว่า สุดท้ายไอ้ไอวิธีการที่ใช้ที่ใช้บันเทาความลำบากความยุ่งยากมันกลับเพิ่มความยุ่งยากให้แก่ชีวิตมากมายหลายอย่างทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างเดียวคือว่าอยากจะอยู่แบบสบายๆนะชีวิตของคนผู้คนจำนวนมากก็เป็นอย่างนี้แหละ คืออยากจะหลีกหนีความยุ่งยากความไม่สบายเส็แล้วก็ชีวิตนี้กลับยุ่งยากกับอ่าลำบากกว่าเดิมเพราะมันมีอะไรต่ออะไรอินุนตุนังอยากได้นูนอยากได้นี่ตามมามากมายวิธีการแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่า แกปัญหาอย่างหนึ่งแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งตามมามีลูกของเพื่อนเนี่ยเหงาเหงาเป็นผู้หญิงเหงาแก้อาวี่ว่าเออถ้ามีแฟนก็จะหายเหงาแต่พอได้แฟนมาแฟนก็ไม่ดีเจ้าชู้แล้วก็ ดูถูกตัวเธอด้วยก็อยากจะเลิกเลิกไม่ได้เคยเลิกไปพักหนึ่งเสร็จแล้วก็คนเหงาไม่ได้ต้องกลับมาหลายคนเป็นแบบนี้นะก็คือว่าทั้งที่รู้ว่าผู้ชายไม่ค้อดีแต่ว่าก็ยังคนเหงาไม่ได้หรือบางคนคิดว่าเออได้ผู้ชายที่ดีแล้วช่วยทำให้ไม่เหงาแต่พอแต่งงานไปโอ้ตามมามากมาย แต่งงานาก็ต้องแยกแยก้ายแยกบ้านออกมาก็ต้องมีเงินแต่ก่อนอยู่กับพ่อแม่พอแยกมาอยู่ก็ต้องหาเงินนะพอมีลูกก็ต้องหาเงินหนักขึ้นนะต่อมาก็มีลูกก็ต้องมีต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแต่ก่อนอยู่บ้านเช่าก็ต้องไปหาบ้าน ได้ได้บ้านได้บ้านของตัวเองมาก็ต้องผ่อนทำงานหนักกว่าเดิมลูกนะมีก็ต้องเลี้ยงรนะายจ่ายก็มากขึ้นเวลาก็ว่างก็น้อยลงแล้วบางทีก็พอลูกโตขึ้นก็อาละวากับลูกนะมีปัญหากับลูกตามด้วยปัญหากับสา ม, มีปัญหามันมากมายนะ จุดเริ่มต้นเพียเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันเหงาอยากจะมีคู่พอมีคู่เส็จแล้ ว, ว่าคราวนี้หายหนาวสมใจเลยนะเพราะมันมีความวุ่นวายตามมามากมายทั้งเรื่องการทํามาหากินทั้งเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว น, นี่คือวิธีการแก้ปัญหาของคนทั่วไปนะ แก้ปัญหาอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็ปัญหาเดิมหายไปแต่มีปัญหาใหม่มาแทนที่พอมีปัญหาใหม่มาแทนที่ก็ต้องหาวิจิแก้แก้ปัญหานั้นได้มันมีปัญหาอื่นตามมาอีกสองสาเรื่องพอจะแก้ปัญหาสองสาเรื่องที่ว่ามันแก้ได้นะแต่ว่าปัญหาใหม่อีกหลายเรื่องตามมาบานปลายนะ ทีั้งหมดเนี่ยมันแก้ได้ง่ายนิดเดียวนะก็คือว่าเออลองทําใจใมีความสุขนะมีความสุขกันยับจีวรนะทีแรกเนี่ยสามเรีรนี่แกไม่ชอบนะเรื่องของเรื่องหมอคือว่าเรื่องของเรื่องทั้งหมดไม่ใช่อยู่ที่ว่าแมวเอ้ยหนูมากัดติวร น, นะ ปัญหานี่มันเกิดจากการที่ไม่อยากเย็บจีวรไม่มีความสุขการเย็ดจีวรเพราะว่ามารบ ก, กวนการปฏิบัติแต่แกเพี้ยปัญหาที่อยู่ที่หนูนะพอเชื่อปัญหาที่หนูก็เลยต้องไปหาแมวแล้วก็อย่างที่รู้นะพอมีแมวก็ต้องมีวัวมีย้าแล้วก็ตามมาได้มีเด็ก ม า, ม, า ม, มาเลี้ยงมาวัวมาเลี้ยงวัวมาตัดหญ้าให้วัวแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่มีความสุขการเย็บจิววอนเรามาแก้ตรงนี้คือว่าลองเย็บจิววนให้มีความสุขไอ้เรื่องที่ต้องมีแมวมีวัวมีอะไรต่ออะไรตามมาก็จบอันนี้มันอยู่ที่ว่าเรามองว่าปัญหายอยู่ที่ไหนหรือเรามองว่าวิธีแก้อยู่ตรงไหน ถ้าเราหมอปัญหาอยู่ที่ที่หนูนะเราก็ต้องตามมาอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราหมอปัญหาที่ว่าเราวางใจไม่ถูกกับการยึดจีวรเราไม่ชอบเราบน่นก็แก้ตรงนี้นะแก้แก้ที่เออมีขวสุการยึดจีวรไป มันก็ปัญหาก็จบนะหรืออย่างลูกของเพื่อนคนนั้นนะ่ะการที่แกคิดว่าโอ๊ยเงาเราต้องหาต้องมีแฟนจะ ไ, ได้ไหายเหงาลองคิดเออทําไมลอยจะอยู่คนเดียวไม่ได้ทําไมเราไม่ลองคิดอยู่คนเดียวมีความสุขการอยู่คนเดียวดูการที่จะแก้ด้วยการไปหาแฟนแล้วก็มีปัญหาตา่างๆมากมายตามตามาโดยต้องภาระยืดยาวยาวเหยียด แก้ที่ใจเรามีความสุขกับตัวเองนะทนหรือ ว, ว่าสามารถจะรักตัวเองได้ในความวุ่นวายต่างๆที่ตามมาในชีวิตก็เป็นดันจบนะสองเรื่องนี้ก็เขาก็สื่อเหมือนกันนะแต่ความแตกต่างมันมันก็มี เรื่องแรกเนี่ยสามัญในรจแกได้คิดแกได้สติแลังจากที่วุ่นวายเป็นห้องใหญก่ก็ได้สตินะได้สติเอะนี่เรามาทำอะไรเนี่ยนะระหว่างที่พยายามอธิบายให้โยมชาว บ, บ้านสองข้าฉันไม่ว่างนะฉันมีงานเยอะนะพออธิบายไปอธิบายไปมันก็ได้คิดเอะนี่เราทำอะไรอยู่นี่แกได้สติขึ้นมาก็เลยเลิกเลยนะ เลิกทั้งหลายต้งย้งไอสิงคักปวงหมดเนะแต่เรื่องที่สองเนี่ยนะไม่ได้สติเลยนะนักรถคนนั้นเนี่ยไปเลื่อยการที่เราเพินอยู่กับการแก้ปัญหาเนี่ยบางทีมัน ท, ทาให้ทาให้ติดลมติดลมนี่ก็คือลืมตัวนั่นแหละแต่ล้ายก็เพียงเพราะ อยากจะมีเวลาปฏิบัติไม่อยากจะมีเสียเวลากับการที่หนูไม่ไม่อยากจะเสียเวลาการที่มันจะจีวรไปมาก็เลยเลยเถอดจนกระทั่งมีครอบครัวไปเลยจากการต้องการที่จะมีเวลาภาวนาจะได้เป็นนักรตได้เต็มที่กลายเป็นว่าต้องทิ้งชีวิตภาวนาไปจริงเพราะปัญหาเดียวคือว่าไม่อยากจะให้หนูมันมากัดจีวร จุดมุ่งหมายสาคัญในชีวิตมันหายไปยนะเพียงเพราะต้องการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิต น, ะนี่ถ้ามีสติมันจะรู้นะที่นี่เราทําอะไรเนี่ยนะเราต้องการชีวิตนัก บ, บวชนะแต่ทําไมเรามาเรามาลงเอ่ยแบบนี้ถ้ามีสติก่อ น, นมันก็จะไม่นะเพียงแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆคือหนูกัดจีวรนี่นทําให้ต้องทิ้งชีวิต จุดม่งหมาในชีวิตคือการประพฤติพรหมจรรย์เฉลือคนมันต้องได้คิดขึ้นมาแล้วถ้ามีสติจะได้คิดนะให้สติมันสำคัญมากเพราะว่าบางทีคนล้อนก็เผลอนะเผลอทำอะไรไปเผลอไปกับการแก้ปัญหาวันต่อวันซึ่งมันพาทาให้บานปลายไปเรื่อยๆ เ, เดินหนองนอกเส้นทางแล้วก็ยังไม่รู้ตัว นะอันนี้พราะไม่มีสติถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลับมากลับมาสู่ทางเดิมสติความระลึกได้เนะี่ยระลึกได้ถึงจุดมุ่งหมายเนะช่นร ะ, ะลึกได้จุดมุ่งหมายชีวิตเนะี่ยเราต้องการมาบวชเพื่อเรามาที่นี่เพื่อต้องการประพฤติพรหมจรรย์ต้องการบวชต้องการขัดเกลาตนนะ งที่คนก็ลืมนะลืมไปเพราะว่ามันไปอยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าภารกิจการงานต่างๆแต่ถ้าเรามีสติได้สติปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้หวนกลับมาสู่จุดเดิมไม่ออกน อ, อกเส้นทางไอ้ที่ออกไปแล้วก็เดินกลับมาซะ สติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงจุดหมายแล้วก็รู้ตัวได้ว่าเนี่ยกำลังออกนอกเส้นทางกำลังเลยเถิดไปแล้วสติในกรณีนี้มันเกิดขึ้นจากการที่หลงทางไปโน่นไปหลายเดือนหรือหลายปีแต่ว่าที่จริงสติจริงๆมันมันสามารถจะระลึกได้ไวกว่านั้นไม่ต้องรอให้หลงไป เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแค่หลงไปแค่ไม่ไม่กี่นาทีเนี่ยนะแล้วระลึกได้เนี่ยอันนี้สําคัญกว่าความเผลอคนเรามันไม่เผลอเป็นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนะบ่อยครั้งก็เริ่มตัวจากการเผลอเพียงแค่ไม่กี่ไม่กี่วินาทีนะเนี่ยเผลอไป แต่ระหว่างที่สมมุติวันระหว่างที่สามเณรีแกกําลังหมุดหงิดกับการเย็บปิวอนแล้วก็ดา่าตําหนิว่าไอห้ไอหนูที่มารบ ก, กวนถ้าเกิดแกมีสติรู้ทันตอนนั้นนะ่ยรู้ทันว่าใจกำลังหงุดหงิแล้วนะใจกําลังโกรธหนูแล้วนะแกมีแกมีสติตอนนั้นเนี่ยนะ เรื่องมันก็ไม่บานปลายไปใหญ่โตนะพอมีสเตปปุ๊บแล้วก็วางระหว่างเย็ยบจีวอนก็เย็ยบอย่างด้วยใจปกติรอ ว, ว่างเย็บก็ภาวนาไปด้วยนะอย่างเหมือนกับที่หลวงปู่กินรนีสอนแนะนาหลวงพัชชาหลวงพ่ชาเย็ยบจีวอนเย็ยบจีวอนเร็วมากเลยเร็วแบบเย็บแบบจิดแบบลจีวอนแบบรนเลยนะ หลวงปู่หลวงปูกินเก็ถามว่าจะรีบร้อนไปไหนรีบร้อนไปทำไมหลวงปู่เชาเพราะว่าก็จะไปทําอย่างจะได้รีบทาให้เสอก็จะได้ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเสือ จ, จะจะทำอะไรต่อก็จะทำอย่างโน้นสุดท้ายคือจะไปรีบไปภาวนานั่นแหละเพราะว่าอยากจะภาวนาทั้งวันเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะท่านมองว่าเนี่ย การภาวนาคือการเดินจงนกรมการนั่งสมาธิไม่อยากจะมาเย็บปิ้วานเย็บจมบเสียเวลานั่งภาวนาท่านพอถึงต้องจต่จีวรมก็ขาดไปเป็นหลายรูแล้วระหว่างที่เย็บก็เย็บด้วยความรีบร้อนหลวงปู่ก็ถามว่าเย็บ ร, รีบร้อนไปทําไมพอท่านอธิบายว่าต้องไปทำอย่างงน้นทําอย่างนี้ต่อจะได้ไปกลับไปภาวนาเร็วๆท่านก็หลวงปู่ก็เลยบอกว่า ยับจีวังก็ภาวนาได้ยับจีวังภาวนาได้ก็ดูใจของตัวมัเองไปสิแล้วทำให้มันถูกต้องนแก้ขไขมัน้ถูกต้องซะเรนระหว่างที่ที่ยับจีวังนั่นแนหะความอยากมันมันท่วมหัวนี่ยังไม่รู้อีกหรือเนี่ยความอยากอะไรอยากไปภาวนาทั้งที่ยับจีวังนั่นก็ภาวนาได้อยู่แล้ว อย่างเนี่ยทำในเรวอนี่เหมือนกันนะแกก็อยากจะแกลำคานมากการที่ยักจิวอนนะเพื่อจะได้ไปภาวนาแต่ก็ไม่รู้ว่าขนาดที่กำลังหงุดหงิดนะสติน่ะจำเป็นแล้วละ่ะนั่นลหละคือตอนที่ภาวนาได้ก็คือมีสติรู้ดูรู้ทันความหงุดหงิดความํำคาญความโกรธที่เกิดขึ้น ถ้ามีสติตั้งแต่ตอนนั้นนะมันก็ไม่ไปทําอะไรต่ออะไรยืดยาวตามมาอย่างที่ว่าคนส่วนใหญ่มีสติก็ต่เมื่อทําอะไรเลยเถิดไปเป็นเดือนเป็นปีแล้วอันนี้พรสติมันทํางานช้าแต่ถ้าเราฝึกสติให้ไวนี่เพียงแค่มันเผลอไป ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็รู้ตัวรู้ตัวก็กลับมาทําใจปกติแต่ถ้าระหว่างที่สามัญในรีทาใจปกติเนี่ยแม้ว่าจะหงุดหงิดบ้างจะเผลอโกรธได้บ้างนะแต่ว่าพอกรรมามีสติได้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะก็จะไม่รู้สึกว่าการย็ดจีวรนี่มันวุ่นวายมันลำบาก เมื่อไม่รู้สึกเช่นนั้นก็จะไม่ต้องคิดหาว่าจะจะจะทํางไงจะจัดการกัไอ้ทํางไงถึงจะไม่ต้องยึดจีวรก็ต้องไปหาแมวมาจัดการกับห น, นูแล้วปัญหาก็จะตามมาเป็นลูกโซ่สารพัด เ, เรื่องนี้ก็สอนใจทั้งนักนักบวชด้วยนะว่าไอ้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยถ้ามันแก้ไม่ถูกนะมันก็ทาให เกิดเรื่องบานปลายจนกระทั่งมารบกวนชีวิตมารบกวนการภาวนาหรืออาจจะ ท, ทาให้ชิดนักป่วกของเราหันเหผิดเคี้ยนไปเชียงเพราะต้องการแก้ปัญหาเล็กๆนน้อยที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วขณะเดียวกันก็เชื่อมความสของการ ม, มีสติด้วยนะเพราะถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็ ก็ไม่ปล่อยให้ช่้งรอมันเลยเถิดไปไกลอย่ารอให้เลยเถิดไปหลายปีแล้วค่อยมามีสติแล้วลึกได้นะมันต้องมีสติรวดเร็วนะแบบสดสดร้อนร้อนเลยนะแค่เผลอไปไม่กี่วินาทีก็รู้ทันแนละ้วนะไม่ใช่ปล่อยให้เผลอไปเป็นปีแล้วค่อยมารู้ตัวนี่นนการฝึกสตินี่มัน มันช่วยทำให้สติของเราไวไวรู้ทันความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นในขั้นมโนกรรมนี่ก็รู้ทันก็วางไม่ใช่ปล่อยให้มันผิดพลาดในระดับเป็นกายกรรมคือประพฤติเป็นการประพฤติปฏิบัติหรือกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วนะแล้วยิ่งดีนะที่ว่ายัางรู้ทันนะผ่านไปกี่ปีเผลอไปกี่ปีพลาดไปกี่ปีรู้ทันกยิ่งดีกว่าไม่รู้เลยอย่าง นอกเรียนคนที่สองนี่ไปไปสุดกูเลยนะเจออาจารย์แล้วก็ยังไม่ได้เก็ตไม่ได้ไม่ได้รู้อีกต้องอาจารย์ต้องมาทักมาทวงนะว่าเนี่ยละทิ้งอุดมคติเพียงเพราะต้องการแก้ปัญหาเพียงเพราะไม่ไม่ไม่ชอบความไม่อยากจะลำบากกับการเด็บจีวรหรือเป็นเพราะว่าไม่อยากเป็นเพราะต้องการจัดํำจัดหรือ แก้ปัญหาเล็กๆน้อยแต่ว่ากลับสูญเสียสิ่งที่สำคัญของชิดไป